เดี๋ยวเราจะถวายอาหารพระกันนะในการให้ทานเนี่ยให้สังเกตดูว่าโดยส่วนใหญ่เวลาเราไปให้ทานโดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะทาแค่ตามร่ปแบบก็คือว่าให้ทานก็คือไม่ได้ไปคิดอะไรเยอะและ้วไปถึงก็ทำอาหารอยากจะทำอาหารอะไรถวายพระเราก็ทำกันแล้วบางทีความเข้าใจในการให้ทานก็จะต่างกัน อย่างยกตัวยอย่างเช่นบางทีอยากจะให้ทานแล้วทิศส่วนกุศลไปให้พ่อให้แม่ถ้ารู้ว่าพ่อแม่เนี่ยชอบอาหารอะไรก็จะทาอาหารนั้นนั่นแหละ <c oughs> ที่จะถวายพระแล้วก็หวังว่าเนี่ยเมื่อเราให้พระอย่างนี้แล้วเนี่ยพระจะเป็นตัวผ่านทําให้พ่อแม่ได้กินอาหารอย่างที่เราเข้าใจใช่ไหมพ่อชอบน้ําพริกก็จะทําน้ําพริกถวายพระพ่อชอบ ต้มยำก็ทำต้มยำถวายพระเนี่ยก็จะคิดอย่างนี้เนี่ยกรณีที่มีความเข้าใจในเรื่องการให้ทานที่มันยังไม่บริบูรณ์ในสมัยครั้งพุทธกาลพุทธเจ้าจะสอนว่าการให้ทานเนี่ยเขาเอาบุคคลผู้รับทานเนี่ยเป็นตัวตั้งเช่นคำหนึ่งถึงคุณภาพชีวิตของผู้รับไม่ใช่คำหนึ่งถึงคุณภาพ ของบุคคลที่เคยจากเราไปแล้วก็ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรงี่เป็นต้นอันเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันแต่ว่าตรงเนี้ยเวลาจะให้ทานเนี่ยหนึ่งมันจะมีการให้ทานด้วยศรัท ธ, ธาและให้ทานโดยไม่ศรัท ธ, ธาไม่จะต่างกันเนี้ยให้ด้วยความศรัท ธ, ธาให้ด้วยความเชื่อให้ด้วยความเรื่มใสดูสภาพจิตใจถ้าเราให้ด้วยความเรื่มใสให้ด้วยสภาพจิตใจปลอดโปร่งโล่งเบา และใจมีความสุขใจสะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อมั่นและเห็นผลเห็นผลที่จะเกิดขึ้นไอตรงนี้สงคัญที่สุดเห็นผลของทานแล้วจึงค่อยให้ไม่ใช่ไม่เห็นเหมือนยอมจะขับรถจะไปเชียงใหม่เนี่ยแต่ยอมไม่เห็นเลยไม่รู้จุดหมายว่าจะไปตรงไหนยังไงนี่ก็เรียกว่าทำไปแบบไม่รู้จุดหมายไม่เห็นผลของการากะท ที่จริงการให้ทานเนี่ยที่เราให้ด้วยศรัทธาให้ด้วยศรัทธาเนี่ยให้ดูสภาพจิตใจของเราเนี่ยจะโปร่งโล่งแล้วก็เบิกบานผ่องใสถ้าให้ด้วยจิตคุณมัวก็มีความขับข้องอึดอัดคับแคบทุกข์เครียดด้วยเหมือนเราอยากจะให้ของแกคนอะไรทั่วไปให้ลูกน้องให้ลูกให้หลานให้ใครก็แล้วแต่บางทีเราให้ด้วยความทุก ให้ด้วยความไม่สบายใจให้ไปบ่นไปให้ไปทุกข์ใจไปก็เยอะไม่อยากจะให้เขาด้วยซ้าไปเนี่ยหรือให้แล้วเราก็มีความวิตกกังวลไอ้อย่างนั้นเ็าเรียกให้แบบไม่ศรัทธาให้ันแต่การให้เนี่ยถ้าประต้องการประดับจิตตกแต่งจิตปรงแต่งจิตก็คือต้องให้จิตใจนั้นเบิกบานล่าเริงผ่องใสแล้วก็เป็นใจที่เป็นใจดีเป็นใจที่ใจสะอาดเย็อ่องพองแพร ไม่มีเครื่องเศร้าหมองมาเบียดเบียนกระทบกระทําจิตใจนี่เนี่ยลำดับแรกมันจะให้ด้วยศรัทธากับให้ด้วยไม่ศรัทธาเพรั้นต้องเลือกให้ด้วยศรัทธาต้องปูมแต่เพราะ น, นี้วัตถุข้างนอกวัตถุข้างนอกมีให้อยู่แล้วอาหารมีแล้วแต่อยู่ที่ว่าเราจะทําใจให้ผ่องใสให้ใจเบิกบานใจล่าเลิงอย่างไรแล้วถ้าเราทํำใจิตใจคุณมัวขึ้นมาปุ๊บการให้ของเรามันได้แค่พิธีกรรม มันไม่กระเทือนมาถึงจิตใจเราแต่เราต้องการทำใจเราให้ผ่องใสให้ล่าเริงให้เบิกบานเนื้เนี่ยเนี่ยประการแรกให้ด้วยศรัทธาประการต่อมาก็คือให้ด้วยความนอบน้อมออให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อมก็ทำยังไงกับการให้ด้วยจิตแข็งกระดา้างมันต่างกันนะเราเห็นว่าสง์หนึ่งรูปสองรูปเนี่ยถ้าเรามองแค่ธรรมดาเนี่ยไม่ไม่นอบน้อมแต่ถ้าเรามองว่าท่านเป็น สังฆโทษถ้าสังฆโทตหรือถ้าเรามองถึงทางบ้านเมืองเนี่ยเช่นเอกอกัคราชทูตอเมริกาประจําประเทศไทยเอกอกัคราชทูตจีนประจําประเทศไทยก็ไปลว่าอะไรก็แปลวาเขาเป็นตัวแทนของประชากรสามร้อล้านบ้างพันกว่าล้านบางเนี่ยนะหรือเรามองที่อย่างพระเจ้าแผ่นดินของเราเวลาท่านเสด็จไปหนะที่ไหนเนี่ยทําไมคนต้อนรับเพราะเขามองว่านี่คือ ตัวแทนของประชาชนทั้งหมดเทศินทำไมเพราะเขายําเกรงอะไรจริงๆแล้วเ้าไม่ได้ยำเกรงท่านผนนี้ก็ยำเกรงเบื้องหลังเบื้องหลังนี่เหมือนกันพระสง์เนี่ยถ้ายอมจกให้ทานหรือจะปฏิบัติ ด, ดีกับท่านยอมต้องมองว่าท่านเป็นตัวแทนของพระโสดาบันเป็นตัวแทนของพระสะกัดทาคาเป็นตัวแทนของพระนาคาเป็นตัวแทนของพระอรหันต์และเป็นตัวแทนของสมมุติสงฆ์และอริยะสงฆ์ทั่วสังคมมนุษ ท่านมาอนเครเราม מ รับทานของเราเนี่ยพอคิดอย่างงี้ปุ๊บจิตใจเป็นไงสภาพจิตใจเราก็ข้างเขาว่านอบน้อมมันเกิดขึ้นมีเจตนามีศรัทธามีปัญญาโอ้เราจะยำเกรงในสงยำเกรงในอะไรท่านยำเกรงในศีลของท่านในสมาธิในปัญญาเนะยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณ ยาเกรงในคุณธรรมของท่านที่ที่เบื้องหลังท่านเยอะแยะหมดเลยมีแล้วยิ่งยาเกรงหนักไปกว่านั้นอีกว่าให้ทานแ ด, ด่สงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขโอ้โหยิ่งใหญ่มากเลยพระเจ้ามีบําเพ็ญตั้งทานเรารมีศีลมันยิ่งใหญ่มากที่เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดราของเทวดาด้วยของพรหมด้วยของมนุษย์ด้วยโอ้โหเนี่มันใจของเราเลยกลายเป็นว่าไอ้ที่เคยแข็งกระด้างก็เลย หลุดจากแข็งกระด้างก็เลยอ่อนโยนมองเห็นว่านี่ให้ด้วยความเคารพถ้าให้ด้วยใจขรด้างเดี๋ยวพูดตรงนี้ว่าทําไมเราจึงเกิดมามีบุตรมีภรรยามีสามีและมีลูกน้องหรือมีเพื่อนที่เกี่ยวข้องทําไมเขากระด้างกระเดืองกับเราให้สังเกตนะเรื่องเหตุกับผลนยถ้าบางคนเนี่ยลูกกระด้างกระเดืองกับเรามากสามีกระด้างกระเดืองกับเรามาก ลูกน้องกะด่างกระเดืองกับเรามากเพื่อนก็กระด่างกระเดืองกับเราพ่อแม่ปู่ตายายยายก็กระด่างกระเดืองกับเราเนี่ยเราพูดอะไรจะขัดแย้งเราทุกเรื่องเลยเนี่ยทำไมไม่ไม่อ่อนโยนหรือไม่ไม่ไม่อนุ瓦ตามความคิดหรือการการความเชื่อหรือการกระทำของเราเพราะอะไรรู้ไหมมันมาจากการให้เนี่ยด้วยใจกระด้างใจไม่เคารพถ้าปรารถนาอยากจะให้ใครเนี่ยเคารพเชื่อฟังเรา หรือว่าปฏิบัติตามใจเราโดยไม่ไม่ขัดเคืองฝึกการให้ทานถวายเดชสงฆ์ที่มีพระเจ้าเป็นประมุขด้วยจิตใจที่อ่อนโยนเมื่อเราสร้างเหตุอย่างนี้บ่อยๆปุ๊บนักเข้าเนี่ยใครๆก็อยากจะเอา อ, อกเอาใจเราเพราะเหตุที่เราเคารพสิ่งที่ที่สูงสุดเไว้เห็นไหมเม็นเรื่องเหตุและผลในปัจจุบันนี้นะเป็นเรื่องอนาคตนี่ว่ากันต่อไปนี่การให้ด้วยความเคารพให้ด้วยความนอบน้อม ให้ด้วยการที่จิตใจเราไม่กระด้างกระเดื่องให้โดยจิตของเรานี่อ่อนโยนทําเป็นไหมจิตอ่อนโยนเนี่ยรู้สึกว่าโอ้เนี่ยท่านเป็นตัวแทนของสงฆ์ทวดสังฆมณฑลและยังเป็นเรายังให้ทานปลาลบมีพุทธเจ้าเป็นบรมุกด้วยเอาละเราจะให้ด้วยความนอบนอ้อมคันนอบน้อมมันไม่ใช่แค่กายแล้วใช่ไหมมันด้านจิตใจจิตใจที่เราเรายำเกรง ยำเพลงในในคุณธรรมของท่านไม่ใช่องน์นี้องที่รับอย่างเดียวโอ้โหเบื้องหลังเหมือนที่บอกว่าเออนี่เป็นตัวแทนของใครมาอ๋อเป็นตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศเป็นตัวแทนของคนต้องเป็นพันกว่าล้านโอ้โหถ้าเราไปปฏิบัติ ด, ดีกับท่านก็เหมือนปฏิบัติดีกับประชากรทั้งประเทศปฏิบัติไม่ดีกับท่านก็เหมือนเราไปประทุษสลายประชากรทั้งประเทศนี่เหมือนกัน ปฏิบัติดีต่อสงหนึ่งรูปก็เหมือนเราปฏิบัติดีต่อสงทั่วสังฆมณฑลทั้งสมมติสง์และอริยสง์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นบรมุกเราได้อุปถากเราได้ดูแลเป็นบุญญาาภของเราเนาะเราได้ให้ทานด้วยความเคารพเนี่ยคุณธรรมใดๆที่ท่านมีที่อริยสง์มีที่พระพุทธเจ้ามีจากการที่เราให้ เราสละด้วยความเคารพขอให้ข้าพเจ้ามีส่วนในคุณธรรมเหล่านั้นเข้าถึงคุณธรรมเหล่านั้นได้เถิดเนี่ยการคิดอย่างเงี้ยจิตยิ่งอ่อนโยนใเลยเนี่ยก็ลใครด้วยความเค า, ารพอภิบารต่อมาก็คือให้ด้วยเป็นการละทานการละทานก็คือให้ให้เหมาะสมแก่การแก่เวลาแก่บุคคลให้เป็นการละทานก็คือว่าการนี้เป็นการเวลาเช้า สุขภาพท่านต้องการอาหารหน้านี้เป็นหน้าหนาวเออเราจะดูอาหารอะไรที่เหมาะสมแก่หน้าหนาวที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของท่านดีขึ้นให้ของที่เหมาะสมแก่การแก่เวลาที่จะเป็นเหตุอะไรทำให้เป็นคนที่ไม่ผิดหวังให้สังเกต ด, ดูนะว่าหลายๆคนเนี่ยแม้แต่หนูๆเนี่ยสังเกต ด, ดูนะว่าทำไมเราหวังอะไรแล้วเราไม่ค่อยได้อย่างที่หวัง เ, ออเราจะผิดหวังอยู่เรื่อยเลยเช่นเราหวังอยากจะได้เสื้อผ้าหวังอยากจะได้ของเล่นหวังจะได้หวังอยากอยากจะได้ให้คนปฏิบัติต่อเราได้ถูกต้องทั้งหลายเหล่าเนี้ยทาไมเราผิดหน้าหนาวก็ได้อีกอย่างหน้าร้อนก็ได้อีกอย่างนะหรือหวังว่าเราน่าจะได้ความรู้กับสิ่งที่เราต้องการอยากจะรู้ หรืออยากจะสมหวังกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องกับผู้คนทั้งหลายเราเนี่ยทำไมชีวิตเรามักจะผิดหวังคนบางคนเราไม่อยากจะเกี่ยวข้องเลยทำไมมาเกี่ยวข้องกับเราคนบางคนเราอยากเกี่ยวข้องทำไมเราไม่ได้เกี่ยวข้องความรู้หรือข้อมูลใดๆบางทีอ่ะเหมาะเราทำไมไม่ได้ในการอันควรเช่นความรู้ที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยทาไมมันผิดการผิดเวลาตลอดใช่ไหมเหมือนกรณีด้วย เราจะแต่งงานแต่ทําไมเราไม่รู้วิธีการที่จะปฏิบัติต่อกันให้ถูกต้องเนี่ยต้องเป็นต้นเนี่ยการเนี่ยเราก็ได้การมาอยู่นี่หรืออยู่กับลูกทั้งหลายเหล่านี้ยเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะบอกลูกลูกทําไมไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะจะบอกนําเสนอพ่อแม่เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันการจัด ก, การที่เราทําสิ่งที่ผิดการผิดเวลาอย่างเงี้ยเราให้ของที่ถูกกาล มันจะเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยไม่สมทำให้เราสมหวังทำให้เราไม่ผิดหวังนี่นี่ข้อที่สามข้อที่สี่ก็คือการให้แบบสละขาดกับไม่สละขาดการให้แบบมีเงื่อนไขกับการให้แบบสละขาดมันต่างกันไหมคือให้แบบสละขาดมันเหมือนเด็ดดวงใจยื่นให้ให้สละขาดจริงๆนะคนบางคนเนี่ยให้สังเกตดูว่ า, วาเวลาเราได้ของมาแล้ว ได้บุตรได้ภรรยาได้สิ่งของมาแล้วเนี่ยพอเราได้มาแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่ห่วงมั่งห่วงของมากไม่กล้าได้เงินทองมาก็ไม่กล้ากินกล้าใช้ไอ้โทษของการที่ให้แบบไม่สลาขาดมันจะเป็นอย่างนี้นะเราจะไม่กล้ากินก็ไม่กล้าใช้ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าอะไรต่างๆคือได้แค่เป็นคนเฝ้าเคยได้ยินครับว่าปูส่สอนเฝ้าทรัพย์ไหม บางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆได้ของดีๆมาเก็บไว้แต่ใช้ของไม่ดีได้เสื้อผ้าดีๆก็เก็บผ้าดีๆไว้แต่ของไม่ดีเอามาใช้ได้อาหารดีๆก็ไปเก็บไว้ไม่ค่อยกินกินแต่ของที่ไม่ดีได้รถดีๆเอาไปเก็บไว้เอาไว้โชว์งั้นเนี๋ยเอารถไม่ดีมาใช้อะไรเงี้ยมันจะมันจะไม่ค่อยกล้ากินกล้าใช้ไม่กล้าเพราะการจากการที่ตอนให้เนี่ยไม่สละขาด งั้นถ้าปรารถนาอยากจะได้ของดีแล้วกล้าใช้ของดีด้วยก็ต้องกาให้เนี่ยต้องสละข้างในสละความต์หนีความหวงข้างในสละออกไปจริงๆว่าเราให้จริงๆไม่ใช่ว่าให้แบบมีข้อมแม้ให้แบบหวงอีเนี่ยมันเป็นผลกระทบถึงเราประการที่ห้าก็คือให้โดยไม่กระทบตนและบุคคลอื่นไอ้ตรงนี้จิตกระทบกระทั่ง ให้เราคนนั้นให้มากกว่าเราให้น้อยกว่าเราคนนั้นให้สู้เราได้เราให้สู้เขาไม่ได้เนี่ยไอ้กระทบกระทั่งอย่างเงี้ยพอได้ของมาจะถูกกระทบกระทั่งได้รถมาก็ถูกเฉี่ยวถูกชนเรื่อยอย่างเงี้ยได้บ้านมาก็เอาละพายุไม่ถูกบ้านคนอื่นก็ถูกแต่บ้านเราไฟไม่ค่อนไหม้บ้านคนอื่นมาไหม้บ้านเราเนี่ยนะน้ำไม่ท่วบ้านคนอื่นมาท่วมบ้านเราเนี่ยการที่เรามีจิตกระทบกระทั่งมันก็มีผลได้สิ่งของได้บุตรได้ภรรยาได้ทรัพย์มาก็จะถูกกระทบกระทั่งมองเห็นนะ หนึ่งให้ด้วยศรัทธาสองให้แบบนอบน้อมสามก็คือให้ถูกการสี่ให้สลาขาดห้าก็ให้โดยไม่กระทบตัวและบุคคลอื่นก่อนให้ให้ให้ดีใจขณะให้ก็ทำความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นเมื่อให้แล้วก็ยังความปราบปลื้มใจให้ติดต่อและต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆถ้าทำได้อย่างนี้ก็เรียกว่าการให้ทานในครบบริทธิ์อะต่อไปเราจะมา ยกของและถวายในขณะที่เราขวนขวายยกเนี่ยให้ถ้าเราไม่ได้มายกเสมอเหมือนหนึ่งเราไปยกจริงเลยเนะให้คิดนหรือจะมาจับยกด้วยกันได้หมดเล ย, เ, ยเรามีมือมีอวัยวะทั้งหลายให้ขวัขวายว่าเราจะทำเราจะให้ทานด้วยศรัทธาให้ด้วยความนอบน้อมให้ด้วยถูกการให้สละขาดให้โดยไม่กระทบตนได้บุคคลเ่งเราจะปงแต่งจิต ประดับจิตตรงปรงแต่งจิตให้อลังกาละให้ล่าเรืองผองใสจริงในการเนาะขอเข้าใจเนาะอ้าวอย่างนั้นยอมเดินเข้ามาเลยอ่ามาถึมาเลยอ่าว ม, มาช่วยกันมาช่วยกันอ้าวช่วยอ้าวเลยอ่ายกเลยมาช่วยกันจับได้หมดเลยอ่ะยกอ้าวมีหมดครับสาทุอ้าวมาช่วยกันช่วยกัน